นันทะสิกขาบท145ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ทาจีวรมีขนาดเท่ากับสุคตจีวรณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระนันทะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระนันทะโมจีวอนมีขนาดเท่ากับสุคตจีวอนในนันทสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานราชวัตรที่เก้าจบ